คือพวกเราปฏิบัติทำนะถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราปฏิบัติไม่ได้หรอกเราเดินชนมมธรรมะทุกวันแต่ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรเหมือนอย่างอยากจะเจอคุณหนูนาไม่รู้ว่าหนูนาคืออะไรไม่รู้ว่าหนูจริงๆเนี่ยจะหาในท้อ ง, งนานม่เจอเพราะฉะนั้นเราอยากรู้จักเราอยากรู้ธรรมะเราต้องรู้จักก่อนว่าธรรมะที่เราต้องรู้จักนันคืออะไร ธรรมะที่เราต้องรู้จักมันไม่ใช่เรื่องเรื่องซับซ้อธรรมะีอยู่สี่อย่างคือจิตเจตสิกนิพพานเจตสิกกับจิตก็รวมเป็นสายนมามธรรมพูดง่ายๆก็คือต้องรู้จักรูปนามอนิพพานนิพพ า, านเนี่ยอยู่ๆเราไปรู้จักนิพพานไม่ได้เราไม่เคยเห็น เ, เราไม่ไปรู้จักคาดหวังอะไรไม่ได้เลยกับนิพพาน และสิ่งที่เราธรรมะที่เราจะต้องทําความรู้จักที่พระพุทธเจ้าสอนคือรู้กายรกู้ใจการปฏิบัติจะต้องรู้กายรู้ใจครูบาอาจารย์ไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนถ้าสอนถูกนะพระพุทธจ้สอนแค่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจเหมือนเหมือนกันทุกสำนักมีบางสำนักให้รู้กายบางสำนักให้รู้ใจเบื่อต้นก็รู้เดียวก่อนรู้กายหรือรู้ใจแทนหนึ่ง พอปฏิบัติคำนนี้ชนานาญขึ้นคำนนี้มันรู้ทั้งกายทั้นใจเลือกไม่ได้หรอกเช่นตาเห็นรูปยังไม่ให้เห็นห้ามไม่ได้รู้รูปแล้วพอเห็นรูปแล้วกิเลสตื่นอ่ามไม่ได้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีแค่การตามรู้กายตามรู้ใจกายกับใจนี่แหละคือธรรมะเราย่าไปหาธรรมะที่มีให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัว แล้ก็คอยรู้กายรู้ใจไปถามว่าพวกเรารู้กายรู้ใจได้ไหมรู้ได้ทุกคนเช่นขณะนี้เรานั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งขณะนี้ยืนขณะนี้เดินขณะนี้นอนรู้ไหมยืนเดินนั่ง น, นอนนะจะหันซ้ายหันขวาจะยกมือยกเท้าจะดูท้องขยับไปขยับมานี่ก็กายตรงนั้นะ คนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติก็กสามารถเห็นได้ไปถามคนที่กําลังนั่งอยู่ว่ารู้ไหมเรื่องนั้นรู้ทุกคนนี้อารมณ์ฝ่ายนามธทํามัคนไม่ยากแหมดูจิตยากถามว่ารู้จักอารมณ์ฝ่ายนา ม, ม, ามรธรรมไหมโสดเป็นไหมก็เป็นนะโลคเป็นไหมก็เป็นฉาเป็นไหมตัวเป็นไห ม, น, น, า ม, มานี่นํามธรรมทั้นั้นเ่ยสุขเป็นไหมทุกเป็นไหมรู้จักทุกคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพวกเรา <PlayStation. S 1> รู้จักรูปรู้จักนามอยู่แล้วหน้านที่ของเรามัมีนิดเดียวถ้าจะรู้รูปเนี่ยขณะนี้กายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นขณะนี้จิตมีอารมณ์อย่างไรมีอาการอย่างไรรู้ว่ามีอารมณ์และอาการอย่างนั้นเช่นจิตมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โลภมีอารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านมีอารมณ์รังเลสงสัย หรือจิตมีอาการตรงอกไปทางตาตรงอกไปทางหูตรงมาไปทง า, ง, า, ปท ง, ง, าปทงลิ้นทางกายทางใจให้เราไปรู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่รักเลยที่จะรู้เท่านั้นอันนี้ถามว่าถ้าตั้งคำถามว่าถ้าทุกคนรู้กายรู้ใจได้อยู่แล้วผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่า ผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยแรกสุดเลยเขารักเลยที่จะรู้กายรู้ใจเขาชอบไปรู้ของอืง่นเช่นเวลาตาเรามองเห็นเราจะไปสนใจสิ่งที่เราเห็นเวลาเราได้ยินเราจะสนใจสิ่งที่เราได้ยินเรารักเลยที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเช่นตาเห็นรูปเห็นสาวๆเด็นมาจิตของเรามีราคะเราไม่เห็นราคะที่เกิดในจิตของเราเห็นแต่สาว คิดเรื่องนี้ไปคิดคิดรู้เรื่องที่คิดคิดไปแล้วมีความสุขบ้างทุกข์บ้างคิดไปแล้เกิดกุศลบ้างเกิดนกุศลบ้างเราไม่รู้เราไม่เห็นพวกที่ไม่ปฏิบัติเาก็ไม่สามารถรู้เห็นตัวเองได้เห็นแต่ของนอกเห็นแต่รูปภายนอกเสียงภายนอกกลิ่นรโสโภชภะเห็นแต่ความคิดเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นนี่จุดที่หนึ่งก็คือผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาลากเลย ที่จะคอยรู้การรู้ใจของตนเองพวกเราจะนั่งปฏิบัติค่อยสปิใจรู้กายรู้ใจของตนเองจุดที่สอก็คือผู้ไม่ปฏิบัติเนียถ้าสมมติว่าเขาไปรู้กายเขาไปรู้ใจเข้ามันเขาจะรู้ผิดเช่นเ้ารู้ว่านั่งถามว่ารู้ว่านั่งอยู่ไหมรู้รู้ว่านั่งถามว่าใครนั่งฉันนั่งอะไรผิดฉันนั่ง แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเราผู้ปฏิบตับติถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เห็นการนั่งอยู่เนยเห็นสิ่งที่นั่งอยู่จะไม่มีความรู้สึกว่าเรานั่ง <Okay. S 1> มันจะเห็นว่านี่รูปประทับมันมีนิ้วต้อนผ้าต้อนนิ้วมันมาตั้งอยู่ตรงนี้เห็นวัตถูมันมาตั้งอยู่ตรงนี้พูดภาษาอย่าพวกอภิธรรมก็ชอบพูดเขาบอ ก, กรูปมันนั่งแต่คนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาชั้นนั่ง ชนนั่งเตอนนั่งนายคนนั้นนั่งนางคนงนี้นั่งมีคนมีสัตว์เวลาเกิดอารมณ์ทางใจเป้นโกรธถามว่าอะไรโกรธเขาจะบอกชั้นโกรธเราเข้าใจว่าความโกรธหรือจิตใจนี้เป็นตัวเราแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงไปที่ใจเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งแตกกลอมเข้ามา ห, หนูน้าดูออกไหม ความโกรธปความโลภความหลงเป็นกาันธุกรรมที่จดมาเป็นต่ำๆไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่แตกรอมมาในผู้ปฏิบัติมีโยนิโสมานสิการคือสามารถมองสภาพธรรมะทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนว่ามีแต่รูปกับนามไอ้ที่ทุกนะคือรูปกับนามทุกเรว่าอุปาทานขันมันุก ไม่มีคนทุกข์นี่จุดนี้เป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเขาไม่ศึกษาก็จะเห็นว่าชั้นนั่งชั้นโกรธชั้นโลภชั้นรักชั้นดีใจชั้นเสียกันผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่ารูปธรรมมันเกิดขึ้นบ้างนามธรรมมันเกิดขึ้นบ้างเกิดแล้วก็อยู่ช่วคราวแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้อย่างเรามีความรู้สึกตัว ก่อนที่เราจะมารู้การรู้ใจได้เราต้องรู้เนื้อรู้ตัวก่อนจิตใจต้องอยู่กันเนื้อกันตัวจิตใจหนีไปเที่ยวแล้วสามารถรู้เนื้อรู้ตัวได้อย่างเวลาเรานั่งคิดไป็นนิดไหมเวลาเราคิดคิดอะไรเพลินๆเนี่ยเราดืมตัวเองดูออกไหมเวลาเราคิดเราเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดเราลืมกายลืมใจของตัวเราเองดูออกไหมไม่บางทีคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องซ้าไปนี่แย่สุดขีดนะคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยเลย อีกพวกหนึ่งคิดเรารู้ว่าคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเนงเมื่ <c oughs> อเราลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้นี่นคือเหตุผลใหญยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาคอยรู้กายรู้ใจเราต้องรู้สึกตัวสกอดอย่าใจลอยไปสัตว์รูปหมายเล็กหนึ่งของการปฏิบัติก็คือความขาดสติความใจลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสตรูปหมายเล็หนึ่งนะ งั้นั่งคิดไปเรื่อยๆนั่งคิดธรรมะไปเรื่อยๆปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้ถึงจะไปคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็แค่คิดเป็นแค่อุบายเบื้องต้นทําให้จิตสงบศัตรูหมายเลขสองนะอันนี้ชาววตาเราจะเห็นเยอะนะคือการนั่งเข่งเนาะนั่งเข่งหรือจับเข่งไหมนั่มเข่งก็คือเราสนใจเอาปติได้จับลงไปในอารมณ์ันเดียวนิ่งๆอยู่ ไปเพ่งกายบ้างเพ่งจิตบ้างนั่งจ้องคอนเซนเทรตนหนึ่งนป็นจ้องลงไปไม่ให้มันกระดิกเวลาเราจ้องมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะรู้สึกแข็งแข็งจิตใจก็จะแข็งขึ้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปกำหนดะฉะนั้นเป็นการเข้าไปบิดเบือนแล้วไปแทรกแซงสภาวัจรุบทำให้มันช้าทำให้มันอึดอ่าความเป็นจริง หนะ้าที่ของเราก็แค่ว่ากายมันเป็นยังไงมันอยู่ในการอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ไปบังคับมันไม่ไปเค่งเคราะห์มันไม่ไปกําหนดใส่มันนะที่เราเรียนกำหนดมันเป็นเบื้องต้นก็จะให้หัดคอยรู้สึกถึงกายเราเรียนเพื่อความรู้สึกอยู่กักายหมายถึงกายมันขยับไปเลื่อนเคซื่งใบเอาความรู้สึกนะพอเรารู้สึกตัวได้จิตจะไม่ไหลไป ท, ทำกุศลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีอะไรมาก เรต้นเราทำความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอไปไม่ใจลอยไปเสร็จ แ, แล้วก็ค่อยตามรู้กายตามรู้ใจกันตามรู้กายตามรู้ใจไม่ใช่นั่งคิ่งแต่คอยรู้ไปล่อยให้กายกับใจมันทํางานไปตามธรรมดายนะให้ตาหูจมูกลิน้นกใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาไม่ต้องหนีนะอยเอาอย่างภาพปิดตะวันนะปหูปิดตาปิดฝากปิดจมูกอะไรนี้ไม่ต้องลืกนะรู้ตาขึ้นมาดูโลก เหม่อนที่พระพุทธเจ้าบอกเนะี่ยทิศสู่ทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตุตราจรรงของพระราชาฉันไม่ได้สอนนะเธออย่าไปดูนะอยู่ไปอยู่ในถ้าอย่าดูอย่ายออกมาดูโลกเราเหนี้อารมไม่ได้ต้องกระทบอารมณ์กระทบอารมณนะ์แล้วเราไปมีสติไปรู้สึกตัวแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมนิยามธรรมนี่บังคับไม่ได้ ยกตัวอย่างเวลาเรานั่งสมมติเรานั่งที่แรกจะรู้สึกสบายพอนั่งไปนานๆไม่สบายแล้วเมือ่อยความเมื่อยเกิดขึ้นเร า, ามม ก, าาออก็ต้องขยับหนีความเมื่อย่การขยับตัวอะไรก็สบายสบายไปเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเมื่อยอีกละต้องขยับหนีไปอีกหรือเราหายใจเข้าหายใจเข้าไปเดียวเดียวก็ต้องหายใจออกต้องเปลี่ยนหายใจเข้าอย่างเดียวเนี้ยความตุ้กติดรัน หายใจออกอย่างเดียวก็สุกความทุกข์หยิบอังอยู่ไม่ได้ในร่างกายนี้เปลี่ยแปลงตลอดเวลามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่เป็นอย่างที่เราอยากอย่างเรานั่งทุบระกะนั่งทุกสบายตลอดวันนั่งไม่ได้ปเดี๋ยวก็ทุกขนะ์แลเนี่ยร่างกายบังคับไม่ได้นะ่อไปรู้สึกถ้าเราเรียนรู้เรื่องกายรู้สึกหิตกายเราเห็นว่ากายนี่เป็ของบังคับมันไม่ได้ เปลนแปลงตลอดเวลามันถูกความทุกข์ผิดฐานนี่นิดยังทุกขังอันัตตานัตตาบังคับไม่ได้คือทางจิตใจล่ะจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเกิดกุศลเดี๋ยวเกิดอกุศลให้เราตามรู้ไปเรื่อยเรื่อเก็จะคุ้มว่าทั้งวันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวเปนกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวต้าหมองเดี๋ยวฝองใสเดี๋ยวยามเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา มีแต่สภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เราควรมีสติอีกความรู้สึกตัวตามรู้กายรู้ใจเนื่อ ง, นงในที่สุดเราก็จะเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เมื่อไรจิตยอมรับความจริงว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้สักกายทิฏฐิก็จะขาดผู้ที่รักสักกายทิฏฐิได้เเรียกว่าพระโสงฆาบานมีดวงตาเห็นธรรม เพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นธรรมะอยากเป็นพระสงฆดับบันไดตามรู้กายตามรู้ใจจะรู้ความจริงว่าเป็นของที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราสักฤฤฤฤฤฤกายสิทธิถี่ถึงจะขาดเราจะละสักกายสิทธิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราด้วยการนั่งเช้งมันทาไม่ได้นั่งเช้งมันไม่มีทางเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรามันนิ่ง ม, มันไม่เกิดปัญญาดังั้นเราก็ปล่อย ใหกายให้ใจเคลนไหวไปแล้วค่อยรู้สึกตัวนะพี่สาวหูนารู้สึกตัวเป็นไหมใจลอยบ่อยไหมเออนี่ยแหะใจลอยเรียกว่าขัดสตินะขัดสติเราก็เปัจจัยลอยไม่นออกไหมว่าปัจจัยลอยเราลืมตัวเราเองมห็นไง่ายๆเนยเหตุผลง่ายๆใจลอยแล้วก็ลืมตัวเราเองถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ล่ะเห็นไหมร่างกายปรากฏอยู่เราก็รู้เนี่ยร่างกายไปยักหน้า เราก็รู้สึกใช่ไหมสัง เ, เกตไหมว่าค่้ยๆเราตื่นขึ้นมาแต่เวลาเรานั่งใจลอยแลก็คล้ายๆเรานั่งฝันฝันกลางวันใจลอยนี่เหมือนนั่งฝันเพรฉะนั้นทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆนี่พระป่าเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นถ้าพูดตามหลักฐานทางอธิธรรมก็คือจิตซึ่งมีความตั้งมั่นมีสัมมาส ม, มาธิขึ้นมาเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ สมาธิก็ต้องเรียนนะสิ่งที่พวกเราต้องเรียนคือเรื่องสีสมาธิปัญญาสี เ, เป็นยังไงต้องเรียนสมาธิที่จะใช้เจริญมิปัาสนาเป็นยังไงต้องเรียนปัญญาคือการทํามิจฉาสนาจะทํำยังไงต้องเรียนค่อยๆปรึกษาเด็กแรกเกิดมีสีไหมไม่เอาแล้วนะใครไปได้ใจไหม <laughs> เด็กแกเกิดยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยน ะ, นะไม่มีศีลแต่ไม่มีแรงทำชั่วอย่างอื่ น, น <ะ S 1> คนแก่ง อ, อัดเลยแทบจะเลยแล้วตัดเท้าหัวงูแทบจะเลยแล้วไม่มีแรงไปเจ้าชู้แล้วถามว่ามีศีลไหมไม่มีนะไม่ใช่มีนะศีลเนี่ยต้องประเภทมีกำลังที่จะทำชั่วแล้วไม่ทำมีเจตนานุศเว้นได้ถึงจะเป็นศีล เด็กแรกเกิด เ, เด็กเล็กๆเนียมันโ ต, ตไปหน่อยนะเด็กเล็กๆเนี่ยมีสักจนะยทิฏฐิไหยมีวิจิกิจฉาเนี่กําลังแรงนนะะสงสัยในพระรลสนะไรมีศีลพัฒนาปรามาสเนี่ยหรือศีลงมงายเว้ยไม่มีเพาเด็กเล็กๆกระทั่งตัวเองยังไม่รู้จักนะมันจะไม่มีสักจะยทิฏฐิแต่มันมีอนุสัยที่รอบทีเกิดสัจจะยทิฏฐิตอนที่มันรู้เรื่อง เราค่อยๆเรียนแไปธรรมชาติของมนุษย์เราเข้าใจมา้มากขึ้นมากขึ้นหรื้อปุกน้อยลงน้อยลงลเรื่องศีลก็คือเรื่องที่เราจะต้องรู้จักงดเว้นการกระทําที่จะชั่วต้องมีรั้วตัวนี้กั้นไว้ถึงจะไปทําสมาธิและปัญญาไนดะ้อย่างปลอดภัยบางคนไม่ไม่ไม่เาศีลทําสมาธิเลยแนละ้วเหมือนเทวัชชัตทาสมาธิสำเร็จนะครับเทวัชชัต แต่ไม่มีเครื่องกั้นไมไ่ให้ทำชั่วที่จะค่าเข้พปทธเจ้าในสุดสมาธิท็่งเสือเคยมีคนรู้จักเป็นเป็นคนที่ฉลาดมากศึกษาแตกสารแตกสารในธรรมะมา ก, มากเวลาตรวจคนตบฉาบถาไปตกทำไมไม่บาปไม่บาปเพราะจิตว่างจิตว่างมันตบก็ได้ด้วย เรื่อมิจฉาทิฏฐิเรื่อมีศีลั้นกั้นไม้กั้นมือของตัวเองไว้เอาแต่ปัญญาปัญญาจะเป็นปัญญาจอมกลอ่อก่อนจนไปเจริญมิจฉาสนาก่อนจะเป็เปนธรรมสมาธิกัน้นสีไว้ด้วยสีจะเป็นละเมิดถ้าเราละเมืดิดตัวศีเวลาปฏิบัติอยู่ยเพียงง่ายงาย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่มข่มกิเลส ในทำนี้ปัตสนานี้จะไม่มีการข่มกิเลสเช่นโทสะเกิดขึ้นเราจะไม่ข่มมันเราจะคอรู้มันนี่ถ้าเราไม่มีสีกั้นเนี่ยเดี๋ยวมอไม้มันไปด้วยพอโทสะเกิดแล้วไม่ข่มมันตกฉาดเข้าไปมันเพราะงั้นเราต้องมีสีกั้นอะไรก่อนนี่เรียนเรื่องสีเนเรื่องสมาธิก็คือการเรียนเรื่องทอํายังไงจิตจะตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญา เมื่ใชเรียนเรื่องการนั่งเฝือมเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ใช่เฝืองอกแงะงอกแงอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเราจะเรียนเรื่องสมาธิเราก็คอยรู้สึกตัวทํายังไงจะรู้สึกตัวได้จะต้องเรียนเรื่องนี้จิต ท, ที่รู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละมีสัมมาสมาธิให้เราคอยมีสติรู้ทันจิตที่มันเผลอนั่นแหละเดีย๋ยวสมาธิก็เกิดเอง ถ้ารู้ทันจิตที่เผลอไปจิตก็จะ เ, เกิดความรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตอนที่เผลอไปคิดทราบไหมเมื่อกี้นี้ยเมื่อกี้มันไปคิดใช่ไหมพอมันไปคิดเราก็เผลอไหมพอเรารู้ว่ามันไปคิดเราก็รู้สึกตัวนี่ตรงนี้งนะง่ายแค่นี้เองแต่ต้องต้องฝึกนะต้องมีความรู้สึกตัวอย่างเราจะไปยกไปย่างถ้าเรายัางไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะเป็นเพ่งขาว จิตเราจะไหลลงไปเพรจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลลงไ ป, ไป่ที่เท้าบ้าไหลไปในความคิดในเรื่องเกี่ยวกับเท้าบ้างหรือเราไปดูท่ท้องของยุบจิตเราจะไหลไปเกาะที่ท้องบ้างหรือไหลไปคิดเรื่องท้องบ้างนี่คือจิตไม่ตั้งมั่นฉะนั้นก่อนจะไปทําวิปัสสนาต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีความพร้อมก่อนทุกวันนี้เราชอบละเลยเราไม่เรียนนะเรื่องจิตสตกขา เราจะเอาจิตสิกขากับปัญญาศึกษาเลยล้าเลยเรื่องสัมมาสมาธิเสร็จ แ, แล้วก็เลยทำอุปัส น, นาไม่ได้จริงเพสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอย่างสมาทธินี่สมมาจะสอนมากเรื่องความรู้สึกตัวนี่คือจิตศึกษาพอรู้สึกตัวได้แล้วเราทำยังไงต่อไปทำปัญญาศึกษา คือมีสติตามรู้กายมีสติตามรู้ใจเรื่อจิตใจที่ตั้งมั่นยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะขยับเราจะขยับมือีธุระจะต้องขยับมือไม่จะหยิบแก้วเราต้องมีความรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็ติตมาลนะร่างกายจิตใจหายใชถ้ารู้สึกตัวเราจะเห็นรูปเป็นเซื่งไหวเราจะเห็นว่ารูป เนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่ใช่เราจริงๆเลยในกันจีที่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรวที่จิตตั้งมั่นมันเลยเปิดทางเกิดปัญญ า, าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เปิดทางที่เกิดปัญญาจบนะจบแล้วนี่สีสมาธิปัญญา <c oughs> เข้าใจไหม นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำวิปัสนาวิปัสนาคือการตามรู้รูปตามรู้นามตามที่เขาเป็นเราก็ต้องรู้รูปรู้นามตามที่เขาเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่หลงไปไม่ไหลไปสติอะไรแตกต่อมเข้ามาทางกายอะไรแตกตอมเข้ามาทางใจเช่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเรามีสติาราบรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้แต่เราต้องฝึกจนสติเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาเองวิธีฝึกให้สติเกิดเองคือหัดตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างเราเคยตามรู้กายนะัต่อไปพอกายเราไหวสติจะเกิดเองคนไหนเคยหัดตามรู้จิตจิตไหวที่มาสติจะเกิดเองสติเกิดเจากการจําสภาวะธรรมได้แม่นจาเพราะฉะนั้นพอกายไหวก็จิตไหวสติะระลึกรู้ในขณะที่สติะระลึกรู้จิตตั้งมั่นจิตไม่หลง อนนี่ใช่พอเรารรู้แล้วก็ไหลาตามไปเลยแี่จิตตั้งมั่นไม่หลงไม่ไหลไแลรวก็จะเห็นว่าสิ่งที่แตกกลอมเข้ามาทางกายทางใจเนะี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบัง ค, คับไม่ได้ปัญญาเกิดตรงนี้อ่ะเรียนแค่นี้ก็พอเนอะใครจะถามอะไรเชิญ <c oughs> จับหลักให้ได้ก่อนนะก่อนลงลมือปฏิบัติต้องจับหลักให้แม่นอย่าไปทาแบบสุ่มเสี่ยงนะแบบ อยู่ๆก็นั่งหลักหูหลับตาแล้วดุยๆเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกเราต้องฟังให้รู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติคืออริยสัจคุกให้รู้นะรู้กายรู้ใจเนะรู้วันนี้วิธีปฏิบัติวิธีรู้ทํายังไงนท่านสอนสติปัฏฐานสี่แค่ตามรู้กายตามรู้ใจแค่ตามรู้นะก็ตามรู้ไป ไม่เข้าไป แ, แทรกแซงเพราะฉะนั้นถ้าจิตฟุ้งซานแล้วเรารู้ว่าทุ้งซ่านแล้วเราจะทําอยังงดีล่ะหรือจิตเราซึมซึมแล้วเรารู้ว่าซึมเราจะทำยังไงดีแค่ใ ห, ให้มันซึมมากกว่าเก่า <c oughs> ้วยเพราะพระเป็นเจ้าสอน น, นี้งยเงยจิตมีราคะรู้ว่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว ม, าามีโทสะจิตมีโมหะรู้วม่มีโมหะรู้เฉยๆท่ า, านาไม่ได้สอนอะไรมากกว่านั้นเลย เราชอบรู้แล้วชอบช่วยรักด้วยแล้วจิตมีกิเลส ร, รู้แล้วต้องรักจิตมีภูมิส่วนรู้แล้วต้องรักษาเนะี่ยชอบทาเกินที่พระพุทธเจ้าสอนความคิดกวาคิดเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องการดูจิตแยกได้หรือเล่ญญนะเรื่องที่คิด ที่คุณว่าดูความคิดคือคุณดูเรื่องที่คิดห่าหรือดูว่าจิตมันคิดจิตมีอาการคิดถ้าจิตมีอาการคิดนี่มีสภาวะรรมรองรับคือดูจิตปรรมะจิตมันทำหน้าที่คิดมันทำงานคิดเรารู้ทันมีใช่ได้ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดใช้ไม่ได้นะเป็นสมมติสัจดัะนั้นเรื่องที่คิดนี่ไม่ต้องไปใส่ใจมันจะคิดอะไรก็ช่างมันเกิด จิตมันห้ามความคิดไม่ได้ความคิดถึงจะไม่มีปรามัดเลแต่ความคิดเป็นบัญญัติก็นต้องมีอนัตาบัญญัติเป็นอนัตตาเนี่ยคือห้ามไม่ได้พราะฉะนั้นไม่ต้องไปห้ามฝังคิดจิตเด็กคิดอะไรก็ให้มันคิดไปคิดไปแล้วบางเรื่องเกิดความสุขใช่ไหมคิดบางเรื่องเกิดความทุกคิดบางเรื่องเกิดกุศลแต่เมื่อคิดถึงพระคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตใจชุ่มชื่นมีบุมีกุศลบางเรื่องคิดไปแล้วเครียด ที่แต่เราคิดแล้วเกิดกิเลสเพราะฉะนั้นเราปล่อยก็านึงคิดไปแต่พอคิดแล้วจิตใจจะสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ต้องสวัสด์เห็นไหมรูออกไหมพอเราหันไปดูได้นยเรารู้แต่ทางโน้ใช่ไหมแล้วเราดูตัวเราเองรูออกไหมเหมือนเราไม่มีในโลกในขนาดนั้นเนี่ยคิดว่าเราหลงทางตาตาเรามองเห็นปุ๊ใจเรายิ่งไป เรานลืมตัวเองลืมนู่กายลืมใจการปฏิบัติของเราก็ขาดช่วงหลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกทุกความรู้สึกตัวไปมันหลงไปทางตาก็อย่าหลงนานหลงไปทางหูก็ไม่หลงนานหลงไปคิดก็อย่าหลงนานรู้ทันไวๆว่ามันปิดคิดคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าคิดดูอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าดู ฟังอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าฟังนี่เรื่องการเจริญสตินะแต่ถ้าไปเรียนหนังสื อ, อไปทํางานไม่ได้นะอย่างนี้ดูอะไรก็ต้องรู้ว่ารู้อะไรฟังฟังอะไรก็ต้องรู้ว่าฟังอะไรนะว่าคิดก็ต้องคิดให้รูเรื่องอย่ามาคิดแล้วรู้ว่าคิดนะมันเลยคิดไม่ได้เวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยคุณจำเก็บไว้ว่าบางครั้งก็ใช้ตาดูบางครั้งก็ใช้เหูฟัง ฟังหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปคิดสลับไปสลับมาแล้วดูออกไหมอย่างเงี้ยเราสังเกีตัสไปคิดแล้วช่ไหมดูออกไหมเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อแวบหบนึ่งแล้วหน้าหลวงพ่อก็เบลอไปมาฟังที่หลวงพ่อพูดมาฟังเสียงมาฟังหน่อยหนึ่งแล้วเอาไปคิดสังเกตไหมสลับไปสลับมานี่แหละเราเรียนกรรมฐานเราเรียนให้เห็นตัวสภาวะสภาวะของจิตของเจตสิกของรูป จิตขอเราเดี๋ยวก็เกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางใจเจตสิกก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วร่างกายก็เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนจะเห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นอต่เงียบทั้งวันแต่ถ้าใจลอยก็เห็นไม่ได้ก็เป็นั่งคิดเอาก็รู้ไม่ได้ถ้าไนั่งเที่เอาก็รู้ไม่ได้แค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรยากหรอกเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียนธรรมะได้อยู่แล้ ว, ลวเราก็องอย่าละเลยนะไปเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราไปเป็นโอกาสดีเจอศาสนาพุทธบางคนมาเจอศาสนาพุทธแต่ที่เกิดเป็นสัตว์หรือเป็นคนบ้าบ้ า, บางก็เสียโอกาสเราสมบูรณ์นะสมบูรณ์ทางกายสมบูรณ์ทางใจแช่โอกาสนี้เมื่อเรียนศาสนาพุทธเพื่อเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเรา เป็นเห็นว่าดวงไม่ใช่ตัวเราจริงหรอกเป็นรูปธทํางานมธทําเกิดขึ้นแล้วตัดับเปลี่ยนแปลงตลอดวันมันพับไม่ได้เรเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยๆปล่อยเริ่มต้นถูปล่อยความเห็นผิดก่ากายกับใจเป็เราเราไปก็ตายความคิดถือไหมหนีไปคิดทราบไหมก็จะดูออกไหมใจเนี่มันหนีวับบวับวับอยตลอดเวลาเราไม่ห้ามนะเราต้องการรู้เฉยๆเราไม่ห้ ใ, ใจจะมี่าก แ, แล้วก็ไ ม, ไม่ห้ากเพราะพระพุทธเจ้าไม้ไดนะ้สอนให้ห้ามจาห้ามลดเจ็บกดนะีิเลสจ เ, เกิดให้มันเกิดไปแล้วก็คปรู้ไปรูก่เลสเชี่ยงไม่เชี่ยงเดี๋ยวเราดับไห ม, ไมเอาอย่างนี้อย่าไปบังคับง่ายนะหนุนน า, าว่ายงต่าง ไม่ได้นะคือจิตไม่ได้ทำงานได้ทีละอย่างเราจะทํางานทางโลกมีหน้าที่ทํางานทางโลกทาไปเรามีศีมาก่อนแล้วเราไปอยากไปทำจิตสีนี่พอเราทางานหรือเราทํางานที่เคร่งเครียดมากเนยทำไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยใจเราเครียดเครียดขึ้นมาเครียดไม่ใช่งานใช่ไหมหรือทําไปแล้วสักขี้เกียจขี้เกียจไม่ใช่งานถ้าเรามีสตินู้ความเครียดนู้ความขี้เกียจหรือวันนี้เราทํางานได้ดีแม่ปลอดโปงใจสบายใจสบายที่ว่าสบาย อยู่นิดเดียวแล้วทำงานต่อนะก็คือ้มารู้อยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาทํางานไม่ได้เป็นมีใครก็ไม่รู้มาเล่านะบอกว่ามีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์เขาจ้างมาเขียนซอฟต์แวร์ข้าตัวนเขาแพงมากนะแล้วมีหน้ามาเล่าบอกจะเจริญสตินิ้วกระทบคีย์บอร์ดจะรู้เฮ้ยเขาไม่จ้างหรอกนะี่เนี่ยเขียนงานนะี่เขาไม่ได้ <c oughs> มันต้องรู้จักว่าตอนนี้ทําหน้าที่อะไรจู้ทาอาหารใช่ไหมจูก็ต้องปรุงให้อร่อย อย่าสักแต่รู้เอามือหยิบน้ำปลาใส่หยิบนู่นใส่สักแต่รู้ไม่ได้นะไม่มีคนทช่าร้านผิดหน้าที่ผิดใจเราไปหนีไปเที่ยวหรู้ไหมหนีไปคิดหนีแวะไปนะแล้วก็อ๋อหนีไปแล้วไม่ห้ามมันแล้วก็ไม่ว่ามันด้วยนะเราแค่คอรู้ทันมันจะรู้เลยว่าใจเราหนีทั้งวันทันทีที่เรารู้ว่าหนีเนะื้อ เรารู้ตัวเรียบร้อยแล้วทำอะไรล่ะกินเลยเ่อกี้เนี่ยิตจะทำอะไรสร้างไหมฟังใหม่ๆก็ตุ้มใจธรรมดามันยากเอางี้สิแทนที่ฟังแล้วจะไปเรียกเตือนะรู้ว่ากำลังเรียกเตือนแล้วคุณจะปฏิบัติเป็นยางเีไงมันง่ายขนาดนั้นรู้ไ สมมติว่าเราฟังแล้วเรามาคิดเฮ้จะคิดเพื่อจะหาระบบจัดระบบความคิดจะได้จำเอาไว้เป็นความรู้ไม่เอาต้องกล้าหาถึงขนาดโดนจะทิ้งไปเลยคิดรู้ว่ากำลังคิดอยู่